แว่วเสียงโดยพรรัตนสุวรรณคำนำเรื่องแว่วเสียงสวรรค์ หลักการที่ข้าพเจ้าได้รวบรวม 2509 ไป 2510 เรื่อง 2516 เพราะเหตุที่เรื่องนี้ยาวมาก ฉะนั้นจึงอาจ 3 หรือ 4 เล่มผู้ และๆที่นํามาลงในหนังสือเล่ม ก็ควรจะไปเปิดดูในเล่มตาม จะต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเล่มอื่นๆด้วยเสมอเสมอเพราะแต่ละเล่มมุ่งให้รายละเอียดเป็นอย่างอย่างไปจึงต้องอ่านเล่มอื่นด้วยเพราะฉะนั้นทางที่ดีสำหรับท่านที่ต้องการจะทราบเรื่องอย่างละเอียดเกี่ยวกับชีวิตในโลกของวิญญาณหรือในโลกของอปปาติกะนั้นจึงควรจะอ่านหนังสือสู่แสงสว่างผีและเทวดามีจริงวิญญาณคืออะไรและเรื่อง โลกทิปประกอบด้วยอันหนึ่งประกอบท่านผู้อ่านก็ไม่ต้องคอยนานอัน 1 พร 2516 สำนัก 47 คว้า 2 ถนนบางลำพูกรุงเทพมหานครโทรศัพท์ 02 282 2025 เข้าตรอกข้าง